บางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยตักบาดอยู่ครั้งเดียวตักบาดนะนะตักบาดอยู่ครั้งเดียวถามว่าคุณตาเกิดมาเนี่ยเคยใสยบ่บาดไหมว่างั้นเคยกี่ครั้งอะ่ะครั้งเดียวว่า ง, งั้นคร <c oughs> ั้งเดียวก็พอกินแล้วมั่งชาดหน้านะห <c oughs> น้าตรงฝาหนึ่งกันนะชีวิตเนี่ยแล้วก็รู้จักอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นไปไปแถวชนบทนะของตมาเนี่ยไม่ได้ตั้งความหวังสูงมากนะ ตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเราแสดงธรรมนะพูดทรมาให้เขาฟังปุ๊บเขาเกิดกุศลจิตชั่วขณะที่เราพูดนี้ก็ถือว่าโประสบความสำเร็จแล้วนะกลัวเขาจะบาปบริสุทธิ์เกินไปให้มีบุญแซรก บ, บ้างเกิดชาติหน้าก็จะได้ฟังธรรมได้มากกว่านี้อีกหน่อยนั่นแหละสะสมไว้บางคนนี่เกิดมาทั้งชาติฟังธรรมอยู่ห้านาทียังไงเขาทาเขามีความสามารถเท่านั้นเองนะ อายุห้าสิบปีหกสิบปีเนี่ยทํากุศลเนี่ยน้อยเต็มทีเพราะสภาพจิตของเขาวั น, ว, นวันหนึ่งคิดแต่จะค่าและอย่างเช่นเขามีอาชีพหาปูหาปลาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่คิดค่าเขาจะอยู่ได้เลยเพันวันวันหนึ่นงเขาคิดแต่จะค่าตรงนั้นเนี่ยตัวใหญ่นะตรงนั้นตัวใหญ่ตรงนั้นเนี่ยขายได้ห้าสิบาทเนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ผมว่าเคยเจอคนที่เขามีศรัทธานะแม้แต่เขาจะจนนะ ก็มีชื่อชื่อใหญ่เล่ครับชื่อใหญ่ชื่อเล่ฮะแกชื่อใหญ่เละถูตาแกก็แฉะแล้วนะแกขนาดถึงเรียกว่าเรียกว่าถ้าจะขอทานนะนะแกเคยขอทานด้วยนะแล้วแกครั้งสุดท้ายแกมาอยู่ที่วัดแกเป็นคนที่ที่ทําบุญตลอดเลยนะแม้ว่าแกจะมีน้อยแกก็ต้องทําทุกครั้งเลยนะครั้งสุดท้ายเราเอาตังค์ไปให้แกบอกย้ายเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้กินนะ บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะต้องไปถวายพระด้วย <c oughs> นะต้องไปซื้ออาหารถวายพระด้วยนะแล้วทุกครั้งเลยนะแม้แกจะทับจะอดนะแกก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายพร ะ, ะก็มีจริงนะไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีแล้วจะเกิดเกิดขี้เหนียวเกิดมัจจริยาแต่ก็ยังว่านะในประวัติศาสตร์ก็มีน้อยนักน้อยน้อยฮะ น, <c oughs> น้อยมากเพ <c oughs> ิ่งได้อะไรเอะละต่อไหน แม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การรับใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การทวงก็เป็นความทุกข์ของผู้บริโภคกามในโลกแม้การติดตามก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลกแม้การจองจําก็เป็นทุกข์ของบุคคลผู้บริโภคกามในโลก ด้วยประการชนิดดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีเิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมแม้แต่กรรมสักตาปัญญาก็ไม่มีนะบุคคลนี้เรียกว่าเป็นคนเข็นใจยากไร้ ในวินัยของพระอริยเจ้าฉะนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าความไม่มีศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาเนี่ยนะผู้ที่ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้เขายากไรต่อไปข้างหน้าจริงๆดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไรนั้นแหละเมื่อไม่มีศรัทธาในกุศลธรรม ไม่มีฮิรในกุศลธรรมไม่มีโอตปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขาว่าเป็นการกู้ยืมเนีย่ยนะขณะที่ทําชั่วนี้ลงทุนกู้และเขาตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดกายะทุจริตนั้น ย่อมปรารถนาว่าชนเราอื่นอย่ารู้จากเราเราไปทําชั่วทางกายมาก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ย่อมดําริ์ย่อมกล่าววาจาย่อมพยายามด้วยกายว่าชนเราอื่นอย่ารู้จักเราเขาตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดวจีทุจริตนั้นย่อมปรารถนาว่าชนเราอื่นอย่ารู้จักเรา ย่อมดําริย่อมกล่าววาจาย่อมพยายามด้วยกายว่าชนเราอื่นอย่ารู้จักเราไปพูดชั่วมาก็ปกปิดไม่อยากให้ใครรู้เขาย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุแห่งการปกปิดมโนทุจริตนั้นย่อมปรารถนาว่าชนเราอื่นอย่ารู้จักเราย่อมพยายามด้วยกายว่าชนเราอื่นอย่ารู้จักเรา เรากล่าวเหตุแห่งการปกปิดทุจริตของเขานั้นว่าเป็นการรับใช้ดอกเบีย้ยนะดอกเบี้ย น, นี่แพงมากเลยนะบาปอากุสนี่ยิ่งปิดเท่าไหร่ดอกเบี้ยยิ่งแพงเท่านั้น น, นนะถ้าเป็นพระบ้าล่วงละเมิดวินัยปุ๊บเนี่ยนะถ้าไม่แสดงคืนเนี่ยดอกเบี้ยเ น, นี่ยแพงจ่ายด้วยชีวิตเพื่อนพรหมจันทร์ผู้มีศีลเป็นที่รักได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าเนะ่ ก็ท่านผู้มีอายุรูปนี้ผู้กระทําอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้เรากล่าวการถูกว่ากล่าวของเขาว่าเป็นการทวงดอกเบีย้ยนะเพื่อนพรหมจารีพระภิกษุด้วยกันบอกเออองนี้เนี่ยไปทำอย่างนี้อย่างงี้มานะเนี่ยเขาเรียกว่าทวงดอกเบี้ยล้อะกุศลวิตกที่เป็นบาปประกอบด้วยความเผ็ดร้อนย่อมครอบงาเขาผู้อยู่ป่าผู้อยู่โคนไม้หรือผู้อยู่ในเรือนว่าง เรากล่าวการถูกอกุศลวิตกครอบงำนี้ของเขานี่ว่าเจ้านี้ติดตามเขาไปอยู่ที่ไหนก็นึกถึงบาปประกรรมที่ตัวเองทำมาก็ทุกข์แล้วนึกถึงเมื่อไหรก่ก็เจ้านี้ติดตามเมื่อนั้นแหละคนจนเข็นใจยากไร้นั่นแลครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือเรือนจาคือกําเนดเดรัจฉาน ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นเรือนจำอื่นเพียงแห่งเดียวซึ่งร้ายกาศเป็นทุกข์กระทาอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นธรรมระเกษมจากโยคะหาธรรมะอื่นยิ่งกว่าไม่ได้อย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดเบรฉานเลยเรือนจำนี้เนี่ยโหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่าง มากมายมหาศาลนะถ้าเกิดเป็นยุงเราจะทําไงดีสมมุติถ้าเราบินยงยิงงเราจะทํำยังไงดีนะโลเลือดเลือดเลือดมันคิดอย่างเดียวเนอะใช่ไหม อ, อ่ะยุงตัวผู้ไม่คิดคิดยังไง อ, ะอ่ะอหาน้ําหวานนะมีไนระเลือดมันหวานานี้เหรอน้ตานตาล <laughs> <laughs> ถ้าเป็นแมลงวันนี่นึกถึงอะไรมะม่วงอะหน้านี้มะม่วงไม่มีแล้วนึกถึงอะไรดีนั่นแหละนั่นนะของเน่าๆ <laughs> ใช่ไหม ถ้าเป็นอย่างอื่นน่ะถ้าเป็นช้างอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรแม่อรู้ใจช้างยังเลนั่นแหละนั่นแหละมดก็ น, น้ําตาลใช่ไหมบอกน้ําตาลตกไปหยดไอ้หยดหนึ่งก็บอกโอ้โไอ้เครื่ออะไรนะน้ําพึ่งหกไปหยดเดียวก็บอกโอ้โหถังน้ําพึ่งพระราชาแตกวันนั้นน้ำพึ่งหยดเดียวนี่ก็เยอะเลยนะมดอ่ะใช่ไหมโอ้กว่าจะหาน้ําพึ่งหยดเดียวเนี่ยใช้ ถ้าสังเกตถ้าใครสังเกตดูมดมันเดินงุงุมง่มงุม่งมงุอย่างนั้นมันเดินแบบโอ้โหสัตว์ที่มีหนักไปด้วยโมหะเป็นอย่างนี้เองมันเดินไม่รู้เหนือรู้ใต้น้ำเจอกันปุ๊บหลบ ก, กันไหนก็ไปนั่นแหละพวกนี้หนักไปด้วยโมหะเป็นอย่างนั่นแหละเหมือนปลวกอย่างนีใช่ไหมใบไม้ใบไม้ใบไม้ตอนนี้หมกบ้าน <c oughs> บ้านบ้านใครกินไม้อร่อยอร่อยมั่งไง เพราความเป็นคนจนและการกู้ยืมเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกนี้เป็นคาถาว่าคนจนกู้ยืมเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเจ้าหนี้ทั้งหลายย่อมติดตามเขาเพราะไม่ใช่นี่นั้นเขาย่อมเข้าถึงแม้การจองจําก็การจองจํานั้นเป็นทุกข์ของชนทั้งหลายผู้ปรารถนาการได้กามในวินัยของพระอริยเจ้า ผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตตะพอกภูนบา ป, ปกรรมกระทํากายะทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตย่อมปรารถนาย่อมดํำริว่าคนเราอื่นอย่ารู้จักเราพอกภูนบา ป, ปกรรมในที่นั้ น, น, นอยู่พอกภูนอยู่บ่อยๆด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตถาคตย่อมกล่าวว่าเป็นทุกข์เหมือนอย่างนั้น ทุกเหมือนอย่างไห น, นเหมือนอย่างกับคนที่ถูกจองจาด้วยการติดหนี้อย่างั้นเนีเขาเป็นผู้มีบาปประกรรมมีปัญญาสามทราบความชั่วของตนอยู่เป็นคนจนมีหนี้สินเลี้ยงชีวิตอยู่ย่อมเดือดร้อนลําดับนั้นความดมฤติที่มีในใจเป็นทุกเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของเขาย่อมติดตามเขาที่บ้านหรือที่ป่า ไปอยู่ตรงไหนใจก็เป็นบาปเหมือนนเขาผู้มีบาปประกรรมมีปัญญาสามทราบความชั่วของตนอยู่ย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานบางอย่างหรือถูกจองจําในนรกก็การจองจํานั้นเป็นทุกข์ที่นักปราชุดหลุดพ้นไปได้นะถ้าผู้มีสติมีปัญญาก็หลุดพ้นได้ถ้าไม่ใช่ปราชก็ติดสินะปราชจึงหลุดพ้นก็แสดงว่าภารชนเนี่ยติดอยู่สัส่วนใหญ่ บุคคลผู้ยังใจให้เลื่อมใสให้ทานด้วยโภกศ ร, รพซย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบรำย่อมยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อความสุขในสัมปรายภพนะพันคนที่ให้ทานได้นี่ก็ถือว่าผู้ไม่พ่ายแพ้ในโลกทั้งสองเลยนะ การบริจาคของครหอขัดดังกล่าวมานั้นย่อมเจริญบุญผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นนะคือมีหมายถึงศรัทธาของพระโสดาบันเป็นต้นนะมีใจประกอบด้วยหิริมีโอตตะ ป, ปะมีปัญญาและสำรวมในศีลในวินัยของพระอริยเจ้าผู้นั้นแลเราเรียกว่ามีชีวิตเป็นสุขในวินัยของพระอริยเจ้าฉะนั้นเหมือนกัน เขาได้ความสุขที่ไม่มีอมิตรนะก็คือได้ฌานนั่ น, น ย, ยังอุเบขาคือในจตุตฌานให้ดำรงมั่นละนิวรห้าประการ เ, เป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นนิดบรรลุฌานทั้งหลายมีเอกะขะตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตัวปัญญาที่รักษาตัวก็คือกัมมสกตาปัญญาและมีสติจิตของเขาย่อมหลุดพ้นโดยชอบ เพราะทราบเหตุในนิพพานจิตที่หลุดพ้นก็ได้แก่มักคจิตเป็นที่สิ้นสังโยต์ทั้งปวงตามความเป็นจริงเพราะไม่ถือมั่นโดยประการทั้งปวงหากว่าเขาผู้มีจิตหลุดพ้นโดยชอบนะผู้ที่มีมัคย่างเงี้ยคงที่อยู่ในนิพพานเป็นที่สิ้นตายแห่งกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าความหลุดพ้นของเรา ไม่กำเริบนะก็คือยานที่ย่างรู้ก็คือปัจเวกขณะยานยานนั้นแหลเป็นยานชั้นเยี่ยมยานนั้นเป็นยานสุขไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่ายานนั้นไม่มีโสกนี่ก็คือยานในมรรคผลนิพพานหมดมัวหมองเป็นยานกเกษมสูงสุดกว่าความไม่เป็นนี่อันนี้ได้แก่อรหัตผลละยานไม่มีนี่อย่างสูงสุดน่นะนะอันผู้ที่จะละ หรือว่าหมดนี่ใช้นี่หมดแล้วก็คือเป็ผู้ที่เป็นพระอาหารหันนั่นแหละแหละพระอาหารหันเนี่ยหมดนี่เรียบร้อยแล้วใครไม่เคยเป็นนี่นะก็ลองดูเธอว่ามันทุกข์สะแค่ไหนลองดูเธอแล้วเป็นนี่แล้วมันไม่ค่อยมีปัญญาใชาน่นี่หมา ย, ยางเดือดร้อนใหญ่นะ <c oughs> เป็นนี่เขาเนี่ยนะแล้วพอมีส่งดอกก็ยังดีนะ ถ้าตรงดอกไม่ทันธนาคามันโทรมาทวงนี่มันจะบอกใครเลยนะว่ามันร้อนแค่ไหนนะใครไม่รู้ก็คงไม่เคยนะถ้ารู้แล้วจะรู้มันนี่จริงๆะของอาต ม, มาในซึง้งพวกนี้อโอ้ท่านเคยเคป็นปนี่มเมื่อไหร่ครับโอ้ไม่ก็บอกว่าไอ้ที่เขาเป็นๆ เ, เนี่ยเว้นไว้แต่ครอบครัวที่ไม่เคยมีเขา <laughs> นะยังเออเนี่ยมีหมดละ <laughs> อ่าดิฮั่งของกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ที่ว่าคนจะต้องทำผิดแล้วเนี่ยจะต้องไปบอกเล่าให้คนอื่นฟังหรือสารภาพผิดเนี่ยนะฮะก็เพื่อระบายยังไงเพื่อระบายความทุกข์ในใจนหรฮะหรือว่าเพื่อเพื่ออะไรบางคนเห็นพูดอยู่นั่นนะฮะที่ทำอะไรผิดไปพูดแล้วพูดอีกพูดไม่รู้จักจบอ่ะจนพอตรงนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นเป็นเรื่องของพระเภิกษุนะ ถ้าพระภิกษุนั้นเป็นวินัยกรรมอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าล่วงละเมิดทางกายทางวาจายอย่างใดซึ่งที่เรียกว่าเป็นอาบัตนะนะท่านก็แสดงคืนท่านก็แสดงคืนกับเพื่อนพรหมจรรันทร์นั่นแหละดยการที่เรียกว่าปลงอาบัติแต่ถ้าเป็นคารวาานี้ไม่ไม่พบว่ากล่าวไว้ยอย่างไรแต่ถ้าเป็นคารวะก็แนะนําก็การบอกเล่ากับคนที่เราเคารพนะนะก็จะช่วยได้เขาอาจจะแนะนําเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นๆ เั้นการเป็นบาปนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดได้ทั่วทุกแห่งเพราะว่าในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะเอาเราไปปัดป น, นามไปประจานก็อาจจะไม่เหมาะนักหมายความว่าเราก็ต้องไปบอกกับคนที่เราไว้วางใจได้จริงๆนั่นแหละถ้าเป็นพระพิสุก็ก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าอาบัตบางข้อเนี่ยถ้าเป็นปุ๊บต้องรีบรีบบอกนะถ้าไม่บอกเนี่ยปกปิดไว้ครั้งคืนมีโทษเพิ่มอีกเพรา ะ, ะท่านก็ให้ไปบอกคนที่ควรบอกนะไม่ใช่ให้ไปบอกดักไปหมดไม่ใช่ถึงขนาดนั้น ต้องบอกคนที่ควรบอกถ้าผู้ใดที่หวังความเสื่อมเสียให้แก่เราคนลักษณะนั้นก็ไม่ควรบอกทีนี้แต่ทีนี้ในการประโยชน์สาระจริงๆก็คือเพื่ออะไรเพื่อสังวรและสํารวมระวังต่อไปสิ่งที่เป็นโทษมันก็คือโทษนะแต่ขณะเดียวกันแล้วประโยชน์ของสิ่ง น, น, นั้นก็คือการตั้งใจสังวรสํารวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยวินัยนี้แต่ของอรรมาเชื่อว่า ไม่มีใครที่บริสุทธิ์จริงๆเลยเนหะ็นไหมผู้ที่เกิดมาในโลกที่มือสะอาดจริงๆเลยเนี่ย ม, มันหายากมากนะนับว่าหายากจริงๆเพราะว่าโลกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคนเข้าสู่สงครามเหมอะนะที่ไม่มีรอยตาหนิบาดแผลติดตัวมาเลยเนี่ยยากมากส่วนใหญ่แล้วก็แขนกุดขาขาด้วนมาเลยอ่ะนะ ถ้าเข้าสงครามที่มันมันมากจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นนั้นชีวิตของคนที่เกิดมาในในโลกนี้เหมือนกันบางคนนั้นนะผลของอกุศลบางอย่างก็ไม่ได้ทำให้เกิดในตระกูลที่ดีอะไรนะไม่ใช่ว่าเกิดมาโหยพ่อแม่เป็นผู้มีศีลมีธรรมของธรรมานี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยของธรรมานี่เกิดมานะเมื่อเทียบกับทุกคนตรงนี้มันก็ไม่ได้ดีกว่าเราแม้แต่คนเดียวเลยนะ ถ้าถ้าเทียบดูกับทุกคนเลยนะของอาณาจักไม่ได้ดีกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นปัญหาอะไรนะเราไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาเพราะตั้งใจไว้เสมอว่าช่างมันเถอะมืดมาแต่ปรารถนาสว่างไปใช่ไหมจะเสียหายอะไรมันมืดมาแล้ว mm. ก็บอกว่าอดีตการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ทักอย่างชีวิตขณะนี้เนี่ยคือสาระจริงๆขณะนี้เราเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเราไปโห้ยหา กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วจิตขณะนี้เราเป็นอะไรเป็นอกุศลถ้าอากุศ ล, ลจิตนี้มันเกิดบ่อยๆอย่าไปโทษใครนะเพราะไอ้ความคิดอันนี้แหละที่มันพอกพูนเพื่อความทุกข์แบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นทํำยังไงได้เมื่ออยู่ในห้วงน้ำนะมันตกน้ํามาแล้วทํำยังไงได้ก็มีแต่คิดว่าเพื่อให้พ้นไปแล้วอย่าไปคิดไอ้ใครไอ้คนโน้นมันทําให้เราตกน้ํามาไม่ใช่นะกรรมของเรานั่นแหละความคิดของเรานั่นแลหละฉั้นการยิ่งโทษคนอื่นมากเท่าไหร่ สภาพจิตในขณะนั้นยิ่งมีโทษมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นโทษของวัตนะเป็นโทษของกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏเป็นโทษของอวิชชาฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จากอาวิชชาทำปัญญาให้เกิดสามารถที่จะดับเหตุแห่งกองทุกข์ได้นั่นแหละคือประเสริฐที่สุดเพราะปัญหาเฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจว่าใครเนี่ยทำให้เราตาบอดนะปัญหาที่นี่คือเราตาบอดมองไม่เห็นอริยสัจเนีนะ สำคัญที่สุดทำยังไงจึงจะสว่างได้ทําอย่างไรจรึงจะมองเห็นอริยสัจ ต, ตรงนี้คือสาระเหมือนกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์จะจะแสดงแต่เรื่องความนี่ทุกนะนี่ทางควรพ้นทุกข์หรือว่าหมอที่ที่ต้องการรักษาคนไข้จริงๆหมอที่รักษาคนไข้โดยอัธยาศัยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยนะว่าคนไข้คุณไปทําอะไรมาคุณจึงทําไมโง่จังไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหมอเขาจะไม่พูดเรื่องนั้นมา มาถึงหมอก็บอกเออนี่นะคุณเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้นะแก้ไขได้นะอยู่โรงพยาบาลอีกสักสอามวันเดี๋ยวก็หายโรคแค่นี้เองเอพอหายบอกเออคุณที่ป่วยนะเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นนะเห ล, ลี่ยงได้ไหมหมอก็จะแนะนําไปอย่างนั้นเขาไม่ได้ไปซ้ําเติมบอกโอโคุณเนี่ยเลวจริงๆแค่นี้ก็โง่ไม่ปล่อยให้ตายตั้งแต่ก่อนค่อยมาแช่งคนไขย้ยังไม่ตา ย, ลยและเกือบตายเลยนะแต่ยินคําหมอปับ๊บแหมมันน่าตายจริงๆไม่น่ามาหาหมอเลยเราไม่ควรจะลักษณะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกัน การรำพึงรำพันเป็นเรื่องของคนเขานั่นแหละรำพึงรำพันไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นและในขณะเดียวกันคําพูดที่รำพึงรำพันจิตชนิดไหนเป็นกุศลไหมให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเราอย่าไปทวงว่าคนอื่นเขาทําให้นะนั่นแหละอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาทําบาปรกรรมให้เราเลยในโลกนี้เรามาด้วยกรรมของตนพทอ น, นกรรมมสกตาปัญญาให้มันแน่นหน่อยนะอนะย่างไรก็เอาเรื่องกรรมมาก่อน กรรมคืออะไรความคิดขณะนี้นั่นแหละตัวกรรมแนหะคิดดีหรือไม่ดีขณะนี้นั่นแหละคือชีวิตของเราต่อไปถ้าเราสามารถที่จะเจริญความคิดขณะนี้ให้เป็นกุศลได้เรื่อยๆกุศลพระองค์บอกว่าไม่เคยให้ผลเป็นความทุกขนะ์ถ้าเรามั่นใจในกุศลเราต้องมั่นใจในเจตนาของเราว่าเรามีเจตนาดีจริงๆไหมถ้าไม่ดีจริงก็ตั้งเอาใหม่นะที่มันพลาดไปแล้วทํำยังไงได้ก็พันชีวิตของเราที่ผ่านมานะ เราสา ม, มารถที่จะพลิกได้ตลอดเวลาเพราะจิตจิตเป็นรูปธรรมไหมจิตไม่เป็นรูปธรรมแล้วแต่ตั้งบุคคลที่ตั้งจิตไว้โดยชอบธรรมชีวิตของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะว่าในชีวิตในอดีตนะก็ไม่มีใครสั่งสมแต่ความเลวมาตลอดจอมโจรองค์คลิมานท่านก็ยังสะสมอรหั ต, ตผลเอาไว้ในใจของท่านไว้เลยใช่ไหมกระดาษถือหอกถือดาบเที่ยวฆ่าคนของเราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งจิตไว้ชอบนะ ใครเล่าจากรู้ว่าเราก็มีดีเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราตั้งจิตไว้ดีแต่ถ้าหากว่าไม่เคยตั้งไว้แล้วขณะนี้เราเริ่มนับหนึ่งแล้วนะแสดงว่าชาติ ต, ต่อตไปหรือวันต่อต่อไปเราสะสมบุญไว้แล้วมันถ้าทําดีนะเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นแหละพ <c oughs> ูดถึงเมื่อคี้นี้พระอาจารย์บอกว่าไอ้สภาพการคิดนึกอยู่เวลานี้นั่นแหละเป็นกรรมแล้วนะนะอันนี้ น, น่าคิดนะน่าคิดจริงๆเช่นสมมุติว่าอากุศลจิตเราเกิดเราคิดจะ จะด่าใครสักคนหนึ่งนะเร า, าจะพุลสวาร์จาใครสักคนนีงเนี่ย น, นะครถามจริงๆเท่าว่าตั้งแต่คิดจนกระทั่งด่าเขาเนี่ยนะระยะเวลาที่คิดกับระยะเวลาที่ด่าเนี่ยต่างกันเยอะนะด่าก็พุ่งออกไปทีเดียวใช่ไหมแต่ไอ้ที่คิดจะด่าเนี่ยนะ โ, โหด่าเท่าหลายคําแล้วนะคุณจะต้องด่ามันอย่างนั้นนะ <S <S คุณองด่ามันอย่างงี้นะใช่ไหมต้องด่ามาานันะม อ, ามาอย่างนั้นนะะแต่จริงๆเวลาด่าเขาเนี่ยนะ ด่าไม่กี่คำหรอกเพราะด่ามากคำมันยืมไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดือดร้อนใช่ไหมเดี๋ยวก็วขอคืนใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่คิดจะด่าเนี่ยโอ้โหมันเยอะนะแล้วสภาพจิตต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยนะกําลังที่คิดบางทีคิดด่าแรงขวาด้วยนะแต่ด่าจริงด่าไม่ค่อยแรงเพราะกลัวเขาอะใช่ไหมแต่คิดโอ้โหต้องด่าให้เจ็บให้แสบอย่างนั้นเลยนะนี่นี่เราเห็นว่าเจตนาเนี่ยนะในชวนะนี่มีผลหมดแน่นอน อันถ้าถ้าเฉพาะส่วนตัวของอรตมา น, นะสนใจเรื่องประโยคะมากกว่านะสนใจชีวิตที่จะไปข้างหน้าหนึ่งชั้นต้นเราควรคิดยังไงแต่ทีนี้การคิดยังไงเนี่ยตอนหลังตั้งการศึกษาไตรสารณคมมากๆแล้วนะบอกขอคิดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออัตตาตัมมาปณิที่อ่านสูตรนี้นะพระพองค์บอกดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าจะสมาทานจะประพฤติแบบนี้แหละ ทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละเนาะเขาบอกว่าเขาโอโ้โหเขาเหมือนกับมีคนเขาเอาของมาให้สักคันรถสิบร้อนะเรานี่ไปมือเปล่าเอาเอาเอาท่าหิ้วได้แล้วแหละเขาเทกระจาดให้เราก็เท่าหิ้วได้นะพระทํามเหมือนกันเราอ่านขอปฏิบัติตามนี้แหละนี่คือสารณะของเรานี่คือที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นของเราไม่มีแล้วดังนั้นเราขอปฏิบัติตามขอเอาพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ อฟังอ่านออประวัติภาษาดิบุตรท่านดียังไงโอ้นี่แหละสารณะของเรานี่แหละคือที่พึ่งของเราเราขอคิดตามท่านขอพูดตามท่านขอทําตามท่านสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความกเกษมเราขอปฏิบัติตามนั้นอันถ้าไปโทษไปไ ป, ไปโทษที่ผ่านมาแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งโทษเมื่อไหร่ก็บาปเมื่อ น, นั้นแหละเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปจะคนอื่นเขาไม่แช่งนะเราก็จะตกแบบนั้นอีกเพราะความคิดอันนั้นแหละ เพรา ะ, ะเราเป็นคนที่มีสาระแล้วมีที่พึ่งแล้วสาระของเราที่พึ่งของเราหรือว่าสิทธิ์มีอาจารย์และอาจารย์แนะนําเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ทั้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารและพรหมพร้อมทั้งหมูสัตว์อันเราก็ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ท่านไปบาปที่ทํามาแล้วจะทํายังไงได้ใช่ไหมพระองค์ไม่ได้สอนให้เราลำพึงรําพันเลยอย่างสูตรเมื่อคือนก่อนใช่ไหม พระองค์เมคิยะเธออย่าไปอย่างนั้นเลยพระองค์ก็ห้ามทั้งสองครั้งสาครั้งเสร็จแล้วพระเมคิยะไปอย่างนั้นพระองค์กลับมาถึงนะเธอเนี่ยฉันบอกแล้วนะเธอก็ยังไปอีกพระองค์ไม่ตําหนิท่าคำแต่พระองค์จะเล่าเหตุผลให้ฟังทั้งหมดเลยนะว่าเรื่องราวไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันที่พึ่งของเราคอยแนะนำคอยพร่ำสอนถ้าเราตั้งจิตไว้ดีตั้งจิตไว้โดยชอบทำตั้งจิตขณะหนึ่งเป็นกุศลขณะหนึ่งทําอย่างไรจะตั้งอย่างนี้ได้บ่อยบ่ตั้งว่าจะถ้าจะพูด เป็นเมตตาวจีกรรมถ้าจะทำก็เป็นเมตตากายกรรมถ้าจะคิดก็เป็นเมตตามโนกรรมจะคิดเรื่องนะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นไปกับกรรมมัศกตาปัญญาถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆนะนะเขาไม่ต้องถึงคนอื่นเขาแช่งเราเราก็ไปดีถึงคนอื่นเขาจะยกเราเราก็ไปดีเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตแล้วแต่จิตแล้วแต่คิดเอาอะชีวิตเราอะ ใช่ไหมชีวิตเราแท้แท้ก็อยู่ที่ความความคิดนั่นแหละจะคิดให้มันดีก็ดีจริงๆเลยนะคิดให้มันชั่วมันก็ชั่วขนาดนี้แหละแล้วแต่ใครฉลาดคิดถ้าใครฉลาดคิดคนนั้นเรียกว่ามีโยนิโสอันขอให้ท่านทั้งหลายมีโยนิโสกันทุกคนนะ